พูกันมาแล้ววันนี้เราจะพูดเรื่องปัญญาปัญญาเป็นเครื่องกําจัดกิลเลสอย่างนั้นเอียตี่นะพูดกันได้แต่ปัญญาชนิดไหนเราไม่เคยรู้หรือหลวพกก็ไม่เคยรู้แต่ ก, ก่อนบันนี้เราจะมาพูดให้พวกเราได้เข้าใจว่าปัญญาเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างน้นเอียดเราว่าปัญญาชนิดไหนปัญญาญานปัญญาตาใจเนี่ยปัญญาญานดูงยานปัญญาเข้าไปจัดการกับเรื่อง คงไม่รู้ควงไม่รู้มันอยู่ที่ไหนคือคงไม่รู้สุดตัวนี้เองทําความรู้สุดตัวมากเพื่อนมากเพื่นอนเกิดยานปัญญาแต่ไม่ทบทวนอารมณ์นะวันนี้จะพูดแบบยานปัญญาเข้าไปรู้แจ้งเห็นจริงรู้อะไรทีแรกเรื่องโสดะโมหะโลภะก็พูดกันมาแล้วดอกกิเลสย่างหยาบกิเลสย่างกลางคือเราไปติดความสงบต้องการอยากให้ความสงบได้มามากๆ อันนั้นเรียกว่ากิเลสย่างการเพราะเราไม่รู้เนี่ยนั่งสงบแล้วถือว่าเราสงบไม่ใช่นะ่ะเรียกว่านอนหลับทับติดอนะเป็นวิธีนอนหลับทับติดปัญญาเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างละเอียดต้องมองเห็นเออนั้นมาอยู่ใต้โมหะปัญญารู้จักโมหะกลไกของโมหะปัญญารู้จับกิเลส ไม่ใช่กิเลสย่งที่โธตะโมหะน่ะแม่กิเลสกิเลสย่างไหนรู้จักทั้งหมดเรีย่าปัญญาเดี๋ยวเราชอบเราเกลียดเป็นปัญญารู้จักเรียปัญญาปัญญาสามารถเหมือนกับแสงไฟแต่สมมุติเอานะอยาเข้าใจว่าไปนั่งทำจังหวะแล้วจะเห็นเหมือนแสงไฟไม่สิย์เหมือนกับแสงไฟเราถือไว้ลมพัดไม่ได้อะไรพัดไม่ได้มันจะพุ่งเห็นเห็นใจเราเอง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 เราทําพำสงบมีค่ายัางไง ร, รู้ น, นี่เดี๋เป็นปัญญาคําจัดจีเรียละเอียดเราเห็นเรารู้คนอื่นจะโล้แทนเราไม่ได้จังหวะปัญหาอื่นๆจะไม่ข้องแวะเลยอันนี้เป็นจิตใจของทุกคนมีแล้วไม่ยกเว้นเรื่องปัญญาตัวนี้แต่เราไม่ทําให้ปัญญาตัวนี้เกิดขึ้นปัญญาตัวนี้เกิดขึ้นไม่ได้เราก็มีความสงสัยเอ๊ะผิดนะ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 มันก็เลยไม่ได้สแสดงออกมาจิตดุดพ้นแล้วยานโยมีตําราท่านบอกอย่างนั้นได้จิตดุดพ้นแล้วยานโยมีลูกอะไรคือว่าลูกการดุดดุจแล้วยุดหาครูหุดหาอาจารย์หยุดหาวิธีปฏิบัติดุจจริงจริหลวงพ่อรู้อันนี้จําเป็นต้องออกตัวเองมาเป็นคนประกันคําพูดตัวเองเนี่ยตัวเองต้องพูดแล้วต้องตัวเองต้องประกันตอนเศร้าตัวพ่อรู้ธรรมะอันนี้เมือกับถอนเสื้อออก พอมันนุ่งเสื้อเด็ถอนเสื้อออกแต่ไม่ได้ถอนดอกเน่มันสมมุติถอนกลางเกงออกให้ว่าถอนออกทั้งหมดเลยแล้วก็เมื่อหนังเนี่ยจืดออกทั้งหมดเลยเลือดไม่มีแม้หยดเดียวเลือดในตัวหลวเพาอไม่มีแม้หยดเดียวหลวงพ่อเข้าใจอย่างนั้นมีปาดเหล่านี้เลือดมันจะหัวนขับเข้าไปสู่สภาพของมัทั้งหมดเลย <c oughs> ว่ามคิดเดยนามำทำมันจะเข้าไปสู่สภาพของมันเลยนี่ปัญญาตัวนี้เดียวปัญญาญาณของวิปัสสนา แล้วก็มีทุกคนทุกคนต้องประสบได้เรื่องเหล่านี้แต่ทำจริงนะถ้าเป็นคนไม่จริงก่อจะไม่ได้รู้ของจริงแต่ทุกคนต้องรู้แน่นอนต้องประสบแน่นอนกับคนคนเป็นอันนี้แม้หากว่าพวกเรายังไม่ได้เป็นเดียวนี้จวนจะตายหรือจวนจะหมดลมหายใจเนี่ยนะต้องเรื่องนี้ประกฏก่อนถูกไหมถ้าหากเราไม่รู้เดี๋ยวนี้จวนจะหมดลมหายใจจะต้องแน่นอนเรามาสร้างคมรู้สึกตัวนี้ไว้ให้เป็นพื้นฐาน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 ความสุขประเภทนี้นล่าจิตเฮ hey, มังเนี่ยเป็นจิตที่กเกษมสารซื้อไม่ได้ขายไม่ได้จดเป็นจิตกเกษมสารธนวันต์ตําราเนะคือจิตอันนี้เป็นจิตเหนือทุกเป็นจิตเหนือสุขเหมือนกับเราขึ้นต้นไม้ลุกขึ้นเครื่องบินมองเห็นถนนหนทางมองเห็นต้นไม้มองเห็นบ้านหลัก็เดียวฝุเขามองเห็นเขาเล็กเล็ ก, ลกน้อยน้อยมันขึ้นไป มันดูสูงและสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้เอาไว้จิตว่องไวที่หลวงพว่อจิตว่องไวสามารถมองเห็นอะไรทุทกอย่างแล้วกระตัดสินลงไปไม่พลาดเลยถ้าทุกคนนี่มาที่นี่ตั้งใจทําตั้งใจปฏิบัติจริงๆแในการพูดจะไม่ต้องโคตรอย่างที่เราทํากันมาแล้วสองวันไม่ต้องพูดพูดอะไรมากมายหนักหนาพูดกัมนมาหลายสิบปีแล้วคนยังพ้นทุกไม่ได้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 คนต้องการซื้อข้าวที่หนึ่งถ้ า, ากว่าเราลดราคาข้าวที่หนึ่งลงมาแล้วมันจะไม่มีราคา <c oughs> เดี๋ยวนี้เราพยายามเอาเข้าวที่หนึ่งมาบรรจุเข้าลูปฐมมาสารทุติยสารตัดติยสารจัดตุทศสารจัดตุวทศสารเปราะรวมตัวกันข้าวจัดตัวเปรารวมนะหลวงพ่เข้าใจัยหลวงพูดเอาเองนั่นเอง <c oughs> จัดตัวทศสารเปรวะรวมตัวกันข้าปัญจักมาสาร ขันห้าจะไม่ถูกปูงต่อไปรับประกันได้เรื่องนี้แเดลารู้ก่อนนะมันจะตัดขาดปุ๊บนีแล้วขันห้าจะปูงไม่ได้เนี่ยเข้าใจอย่าง น, นจะจดจัดตัวท่าสารแปลว่ารวมรวมตัวกับข้าตาก็รวมหูก็รวมสมมติมาพูดนะเนี่ยแล้วจิตใจนึกที่ก็รวมข้ามันรวมแล้วเขาเราตัดปุ๊บขาดช่วงทันทีเลยเมื่อหนังเราขาดช่วงนั่นแหละจุดเออจุดหมดทั้งตัวเลือดทั้งตัวเนี่ย จะไม่หยุดเลยมันจะแข็งเข้าเหมือนกับแมวกินหนูนั่นเองแมวกินหนูไม่มีเลือดเลยกินยังไงก็ไม่มีเลือดเพราะอันนี้มันกรองมาหมดแล้วเนี่ยคือมันกรองมาตั้งแต่ทีแรกมันกรองมานะเราไม่เคยรู้ลูกนานอ้าไว้ฟังเองไม่เคยรู้ลูกนานเรารู้ลูกนานไม่เคยรู้ปรมัตดเรารู้ปรมัดขึ้นมาไม่เคยรู้ปฐมศาสตร์ทุติยศาสตรรู้ทางไปหาพระพุทธเจ้าเรารู้ทางไปหาพระพุทธเจ้าขึ้นมาเนี่ย มันจะรู้เป็นขั้นเป็นตอนมามันไม่เคยว่ารู้ว่าคนมสงบมันจะเห็นควมสงบขึ้นมาหัวไม่สงบมันซ่อนตัวอยู่ที่ตรงนั้นจะเห็นจริงๆอันนี้หรอยานของปัญญาวิปัจนาภาวนาภาวนาแปลว่าทำให้มากทำให้รู้ทำให้เข้าใจทำให้เกิดทำให้มีไม่ใช่จะมารู้จําเอาคำพูดของพ่อไปพูดอันนั้นผิดจึงหวะเราเคยสวดกันว่าผู้ใดที่เคยศึกษาเราเรียนมา ว่าอาบัติปราศิกเสพเมถุนหนึ่งลักของเขาหนึ่งฆ่าสัตว์หนึ่งพูดอวดอุตริมนุษยาธรรมคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนหนึ่งนี่ขาดจากคนเป็นพิกษุนพิสูจน์ไปเพื่อเห็นไทยเห็นตัวนี้ปัญญาญาณตัวนี้จะรู้ว่าตรง น, นี้เสพเมถุนเรามาพูดกันหมายถึงเพศตรงกันข้ามแต่อันนั้นจ ร, จริงจริงโดยสมมุติไม่ใช่ได้จริงโดยปรามัดเสพเมทุนหมายถึงอยู่กับหัวไม่รู้นั่นเอง จำให้มันดีนะอยู่กับคนไม่รู้มันไหลไปตามกระแสของคิดจย่างแบบทวนกระแสของน้ำเนี่ยเศษเมถุนต้องทวนไม่ต้องไปกับคบคิดเศษเมทุนรักของเขาหนึ่งคนอื่นพูดไปจําเอาเราไม่เป็นแต่ว่ารักคําพูดของคนอื่นมาพูดทันว่าจางนั้นกคนฆ่าสัตว์หนึ่งของจริงที่มีอยู่ในเรามันจะไม่ปรากฏขึ้นมาเพราะเรากบไว้เนี่ยแต่ว่าฆ่าตัวเองตายจากมรรคผลนิพพานก็ได้ ฆ่าตัวเองตายจากพระอราหันต์ก็ได้แล้วก็จะพูดมันเป็นคําพูดเนี่ยฆ่าสัตว์หนึ่งสัตว์จะเลี้วของจริงเนี่ยพูดอวดอุตลิมนุษย์สาธรรมคือทําอันยิ่งของมนุษย์ที่มันมีในตนนึงเนี่ยอันนี้เรี๋เราพูดของจริงเราจะรู้เราไม่ต้องพูดอวดอย่างที่ตลวงพอพูดเนี่ยอันนี้เดี๋ยวพูดของจริงไม่ใช่เป็นพูดอวดเนี่ยอันนี้พูดของจริงให้ทุกคนนําไปใช้ออก ชีวิตประจําวันนี้ต้องปฏิบัติอย่างนี้เป็นทางรัดขึ้นเครื่องบินปื้อไปทีเดียวเลยลงสนามบินดอเนเมืองออกจากดอเนเมืองมาแล้วจึมาขอนแก่นปื้อมาลงสนามบินขอนแก่นช่วงสี่สิบห้านาทีเท่านั้นเองจึงว่าไม่คลองแวกขับให้ทานไม่คลองแวกขับรักษาศีลไม่คลองแวกขับไปทํกากรรมฐานขึ้นตามขั้นตามตอนน่ะ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 คุณต้องรักษาศีลคุณต้องคุสมสงบแล้วคุณไปทั้งหมดเลยเจะยานปัญญาเกิดขึ้นด้วยปัญญาอย่างเดียวมีอารมณ์หกอย่างาขันห้าอัญตระสิบสองธาตุสิบแปดอินทรีย์ยี่สิบสองอริยาสัจสี่ปฏิจจสมุปบาทเป็นอารมณ์เขออาจะพัฒนาครูบาให้เรียนเรียนแล้วแต่มันไม่เกิดยานปัญญาบัด น, นี้เมื่อรู้อันนี้แหละมันจะรู้ขันห้าจริง คันห้าตาหูจมูกเล่นกายใจนี่เป็นอัญญาตาะสิบสองไม่ต้องพูดเลยคันห้าอั ญ, ญาตาะสิบสองอ่ะไม่ต้องเรียนแล้วมันครบปูที่นี่แล้วธาตุสิบแปดจากหูเออธาตุสิบแปดจากหูธาตุจากหูธาตุแปลว่าธาตุทางตาธาตุสิบแปดสามหกสิบแปดเราไม่ต้องเรียนกันได้จากหูคือตาจากหูธาตุคือธาตุทางตาจากหูวิญญาณธาตุคือวิญญาณทางตาเนี่ยเราไม่ต้องเรียนกันได้เราจะต้องไปเลยทีเดียวนี่ ติณรียี่สิบสองจะกูติณสโสตินทรีคานินรียไม่ต้องเรียนก็นได้ปฏิจจส ม, มุ ป, ปบาทไม่ต้องเรียนก็นได้อภิชาเป็นปัจเจียเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจียะเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจเจียะเกิดนามไปอันนั้นก็ไม่ต้องเรียนก็นได้เราจะตรงเข้ามาทีเดียวเลยตรงที่ตรงไหนหนึ่งตรงเรารู้จักเรื่องรูปนามที่แรกนะอันนี้เป็นการพูดเรื่องอารมณ์อืจนจบแต่แต่ไม่ไม่ได้มาแฟ้ คือว่าพูดให้ฟังสั้ๆรู้เรื่องรูปนามเนี่ยรู้ถึงบาปบุญเนี่ยรู้ให้จบเลยขันต้นขั้นที่สองเราจะรู้วัตถุแต่เรื่องเวทนาไม่ต้องพูดรู้เรื่องวัตถุหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างในรู้นี้เมื่อรู้วัตถุตัวนี้แปลว่าเราได้กระแสพระนิพพานแต่รูปนามยังไม่ได้เพียงรู้เรื่องเรื่องของคนเท่านั้นเองอันนั้นเป็นเรื่องของคนตัวนี้เป็นหน้าที่ของคนแล้วเป็นหน้าที่จะปฏิบัติแล้ว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 เราเห็นกิเลสตัณหาอุปทานเนี่ยเรียกว่าอริยผลเรียกว่าพระโสดามัคพระโสดาผลจะหาว่าพูดอวดก็ได้ที่พูดกโมจรินให้ฟังเนี่ยพูดอุตริมนุษยาธรรมคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์ธรรมอันนี้เป็นธรรมอันยิ่งของมนุษย์คนธรรมดาจินรู้ไม่ได้ยิ่งว่าต้องเป็นคนจริงเราเป็นข้อที่หนึงคือ <c oughs> บรรจุลงในกระสอบไปขายราคาก็ดียิ่งคนก็ชอบนี่จะเป็นมัคเป็นผลบัณฑิตเมื่อเสินตะกฏก็ขึ้นเนี่เป็นมัค รู้เรื่องความสงบเป็นผลรู้การทําบาปเป็นมักบัดนี้แตกการทําบาปออกได้รู้เรื่องการทําบุญเป็นผลไปเเป็นรียกว่าเป็นจัตุทัศน์เมื่อรู้เรื่องบาปเรื่องบุญทําบาปทําบุญตกนรกขึ้นสวรรค์ทําบุญเป็นยังไงเนี่ยอันนี้เป็นผลเป็นมักเป็นผลพอดีรู้อันนี้ปั๊กมันจะขาดช่วงเรียกว่าจตุทัศนมันจะมารวมที่ตรงนี้ วิปสัสสนาญาณจะเกิดขึ้นที่ตรนี้โยต์ตายเสียพอตายยังไม่มีลมหายใจจะรู้วิธีเข้าไปตายจริงๆความตายจึงไม่ใตายโยตเป็นการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงโยต์เป็นอาการโยต์เป็นการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนระดับจิตของเราขึ้นไปตามขั้นตามตอนประโยชนตายแล้วเกิดกระพิตตายแล้วศูนกระพิแล้วจะเอาที่ตรงไหนก็อเอาคารเปลี่ยนแปลงไปที่ระดับของจิตใจนี่โย่าเราไม่ท่อบดัากทาให้จิตใจเราเลื่อนสันได้ ล้วก็ไปเห็นการเลื่อนท่านคือเป็นพระครูเป็นเจ้าคุณเป็นพระราชฎเป็นพระเทศเป็นพระธรรมเราไปติดอันนั้นเลื่อนท่านอันอันนั้นจึงเอาอันนั้นมาเป็นอันนี้บัดนี้เราไม่รู้เราจะเอาตัวนี้ไปเป็นตัวนั้นเนี่ยรตัวรู้จักอย่างนี้จังหวะคือเสียงเกียรติยศนั้ดีแล้วเขาเลื่อนท่านให้แต่ละเขาถอดเมื่อไหก็ได้อย่างที่ตำรวจก็เป็นสิบปีสิบโทสิบเอกไม่เดือเขา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 คันห้าปุงแต่งมาได้อีกต่อไปโดขาดแล้วเสื้อที่มัดที่ตรงนี้มัตรงนี้ตัดตรงกลางขาดแล้วดึงเส้นนั้นมาถึงตรงนี้ไม่ได้มันขาดแล้วไสไม่ได้อันนั้นอันนั้นใสไม่ได้จริงๆิงจิงว่าถ้าพระเจ้าตัดผมครั้งเดียวตัดแล้วขาดแล้วไม่งอกอีกแล้วเนี่ยอันนี้แหละควรมจริงทุกคนจะประสบเรื่องนี้จนจะหมดลมหายใจป่อนหนะ้าลมหายใจจะหมดต้องห้านาที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 ไม่มีประโยชน์อะไรเลยท่านว่าคนเกิดมาเพียงวันเดียวรู้เห็นเข้าใจอันนี้ชีวิตอันนี้มีค่ามากกว่าบุคคลที่เกิดมาร้อยวันพันปีนั้นท่า น, นว่ามีค่ามากแต่คนเกิดมาวันเดียวรู้ไม่ได้พิชิตตัวไม่ได้ญาติโยมมาปฏิบัติรือเพื่อนพระสงฆ์องค์เจ้ามาปฏิบัตินี่บางทีหลวงพ่อพูดไปอาจจะประสบ ป, ปั่เอาเลยทีเดียวก็ได้เนี่บางทีหากไม่ประสบก็บจาไว้ เราต้องเข้มงวดกวดขันตัวเองไปปฏิบัติเอาไว้นี่มันมีประโยชน์อย่างนี้ยังว่าการฟังธรรมาฟังสิ่งที่ยามาเคยฟังฟังแล้วไม่เข้าใจทำควาเข้าใจเข้าไปเรื่อยไปเลยที่ท่านวาจะมีอานิสงส์ห้าประการท่านวาอย่างนั้นบัดนี้บวชมาได้ร้อยพรรษาท่านวายอย่างน้รหากยังไม่เข้าใจสภาพลพาว่าอันที่หลงพ่อกําลังพูดเดี๋ยวนี้เนี่ยการบวชของคนนั้นเป็นโมคฆะ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 พันธวชนี่มาเป็นเรื่องสมมตุติให้เรารู้จักสมมุติแยกแยะจริงๆหลวงพ่อจึงเคยพวดเคยสอนว่าให้รู้จักสม ม, ตญญตมุติบัญญัติปารมัตบัญญัติอัท ธ, ธาบัญญัติอริยะบัญญตัติแต่เป็นพระญาติบุคคลเราก็ยังถูกบัญญัติสมมุติขึ้นมาให้เว้าล์ต น, นี้อันนี้แหละปัญญายานของวิปัสสนาญาณของปัญญา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 จะตุรสานกับเป็นพระเทพซะปัญจมสารก็เป็นพระธรรมไปซะตั้งเพื่เป็นสุนตันสวิกับเป็นปัญญายานนี่มันเป็นนิสัยอันมันถอดได้เจ้าปฐมสารทุติยานสารตติยานสา ร, าสารพวกเราต้องปฏิบัติให้เข้าใจจริงๆถ้าไม่เข้าใจแล้วมันจะเสียเงินนะี้เสียเงินเสียเวลาที่ตลวงข้อมาพูดให้ฟังอีกด้วยนะฮแล้วก็เสียเงินค่ารถค่าลามาอีกด้วยนะจังวะต้องตั้งใจทำจริงๆให้เป็นเข้าทีหนึ่งจริงๆ มาเนี่ยใครเป็นเข้าทีหนึ่งเลยจะทําให้หลักพระพุทธศาสนามั่นคงถาวรและเป็นการเผยแพร่และเป็นการต่ออนุพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นยางนไงเดียวว่ารักซารั ก, าา ก, าาากศาสนาลักพระมหากษัตริย์ในลาวเราเนี่ยลักอะไรก็ลักของจริงในที่แล้วจังหวะเสียสละชีวิตเพราะรักษาข่มจริงแล้วเรามีจริงไหมของจริงที่จะตั้งใจพูดจริงๆเรามีจริงไหม ถ้ามันไม่จริงกับพูดเรื่องอื่นทำาะไเป็นของจริงเรื่องนี้มันก็เสียจริงจังวะพุทธศาสนาของเมืองไทยนี่จัวะลดน้อยไปน้อยไปเพราะยังมีโรคโกรธหลงอิจฉาตาลอนกันอยู่มากมายแล้วพุทธศาสนานั่นะไม่มีความโรคไม่มีความโกรธไม่มีความหลงไม่มีการอิจฉาตาลอนท่านสอนอย่างนั้นแล้วความสุขมันเกิดขึ้นมาจังวะจิตเป็นกเกษมสาวรเพป็นวันอย่างนั้นจังวะเขมัง เป็นจิตเกษมสารเป็นจิตเนื้อทุกเนื้อทุ ก, ทกมีในคนทุกคนแต่ว่าสิ่งนั้นไม่ได้ทําหน้าที่ของมันเลยไม่ได้เกิดญาณปัญญาเพราะเราไม่ทําความรู้สึกตัวนี่เองจิ๋วว่ารู้ว่าความสงบมีอสองอย่างสงบแบบไม่สงบเนี่รู้อย่างแบบไม่รู้สงบแบบสงบรู้อย่างแบบรู้เนี่ยเป็นว่าสอนกันอย่างนั้นเต็มปด้สมมุติของหน้านี้ที่หลวงพ่อนํา ม, มาไล่สอนเป็นเรื่องสมมุติแต่เรื่องจริงจิ๋วว่าจริงโดยปรามาัดอันเนี้ย จึงโดยอัฏฐะอัฏฐะแปลว่าได้กับมักแปดเลสัมมาทิฏฐิสัมมาสังปาสัมมาสมาธิไปเลยไปอันนั้นมักแปดอันหนึ่งมักแปดเราเคยสวดกันดูว่าสี่คู่แปดบุรุษเอส า, าวพระวัโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระภูริภาคเจ้าเนี่ยเราไม่เอามาปฏิบัติท่า น, นเป็นอย่างนี้เราต้องเอาตัวนี้ตัวสัมมาทิฏฐิตัวนั้นเอาไว้มันเป็นเรื่องสมมติแต่ว่าโตที่ว่าสี่คู่แปดบุรุษ เอส า, าพะควะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระวีาพากย์เาเอาตัวนี้แต่คํานี้เป็นคําพูดเราต้องปฏิบัติให้เป็นอย่างนี้อาหูเดยโยอาหูนายโยนหลวงพ่อว่าอาหุเดยโยบ้านหลวงพอ่ออาหุเดยโยเป็นสงควรแก่ศักดิ์ะที่เขานํามาบูชายเรียกว่าการหาพระผู้สอนเบส่กย์หลวงพ่อว่าหาว่าสีคนนะั้นการหาพระการหาครูหาอาจารย์หาคนจริงรับประกันคําพูดของพระองค์ได้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 แล้วยางกลางให้เวลาหนึ่งปีเอาจริงๆไม่พ่อสอยไม่อ่อนแอนอย่างเร็วที่สุดให้กาหนดเวลาไว้เก้าสิบวันสามเดือนอันนี้สงไม่ต้องพูดเลยมันจะค่้เป็นไปเองความเปลี่ยนแปลงนี่จะาอาการความเปลี่ยนแปลงจะขึ้นไปตามขั้นตอนตามขั้นตอนขึ้นไปถ้าหากไม่ถึงที่มันสะบั้นแต่ก็ต้องว่าเรื่องความสงบเนยนอนรับรองว่ารู้จักจริงๆ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 มีอันดับสองศึกษาประการเนื่งเป็นพระอาหารหันต์สองเป็นพระนาคามีถ้าหากหลุดจะความเป็นพระอรหันต์ก็ต้องมาตั้งอยู่ควาเป็นพระนาคามีทันว่าอย่างแน่นอนที่สุดตำราของท่านแกหดวงพ่อในพูดนะ้นระยะช่วงที่เราทํามาแล้วเนี่ยตั้งแต่วันที่สิบแปดเป็นต้นไปสิ 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, บแปดสิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดยิบสองยิสามยี่สบสี่วันที่ยี่สิบสี่นั้นบางคนอาจจะอยู่ไม่ได้บางคนอาจจะอยู่ต่อไประยะเจ็ดวันนี่หลวงพ่อเข้าใจว่า จะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เราได้ภูมิใจถ้าเราเป็นคนจริงนะถ้าเป็นเข้าทีหนึ่งนะถ้าเป็นเข้าไม่มีในเป็นเข้าทีแล้วครับพูดไม่ได้แล้วเนี่ะหลวงพ่อเข้าใจแล้วเพราะว่าหลวงพ่อทำมันไม่นานเนี่ยเพราะญาติโยนก็คงเคยได้ทํามากันหลายวิธีมาแล้วบางคนอาจจะทําพุทโธมาของยุบมาสัมมาอ阿拉หังมาหรืออนาปานสติมาแต่มันยังไม่เข้าจุดนี้บัด น, นี้เราเอาไว้ก่อนคขมรู้ที่เราเรียนมันเอาไว้ก่อน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 ศาสนาอิสลามฮินดูหรือศาสนาเขาตามหลวงพ่อไม่ไม่เหมือนทุกคนมาเถอะแต่ว่าขอให้ปฏิบัติจริงๆหลวงพ่อได้สอนบาทหลวงไปแล้วสองสามคนเขาก็ภูมิใจเนี่ยเพียงว่ารู้เพียงลลกยงารเคลื่อนไหวรู้จากรูปนั้นเขาภูมิใจบาทหลวงเขาก็ซ้อนตัวทำเขาถือศาสนาคิดนะอาศัยพระผุ้เปเจ้าพระผู้เปเจ้าจะมาช่วยเราได้ทําไมเราต้องทําเองหลวงพ่อแนะนําเขาเขารู้เลยสามวันเท่านั้นเองเขารู้啊 เรื่องบาทหลวงเนี่ยเขารู้เรื่องรูกนาะเนี่ยรู้จริงๆหลวงพแอบไปพูดให้ฟังเนี่ยเป็นอย่างไ้นี่แหละคาสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นกลางๆเป็นสาบุนทำได้ทุกคนไม่มีของใครจิตสงวนที่เขาิตได้รู้แล้วไม่ให้คนอื่นลู้กอดไว้ก็ไม่ได้รู้แล้วฆ่าตัวตายก็ไม่ได้ไม่เป็นอย่างนั้นรู้แล้วทําลายตัวเองก็ไม่ได้รู้แล้วจะสนงวนที่กริดไม่คนอื่นรู้ก็ไม่ได้เพราะว่าคนนั้นทำถูกต้องรู้ไปเองนี่ที่หลวงพ่อได้นํามาแนะนําตักเตือนว่ากล่าวกับพวกเรา ให้พวกเราได้เข้าใจนำไปปฏิบัติจริงๆตั้งแต่วันนี้เติดต้นไปนะพยยาอย่างเงียบอย่าไปพูดไปคุยกันมากเมื่อเรานั่งอยู่คนเดียวนั่งอยุดพิกมือคลืนคมมันจะเจ็บน่องแขนที่เข้านะทีแรกเมื่อเจ็บน่องแขนเนี่ยใกล้ๆแล้วจะรู้เข้ามาแล้วเนี่ยมันเพียรปานนั้นหลวงพ่อทำทำบันเดียวนหลวงพอจนเจ็บน่องแขนเลยเอากระจริงๆจังๆให้เรามันไม่เอาจริงมันจะเอาในน้อยหยัดพูดมาก เลิกการพวกการพูดนั้นมันเป็นสิ่งที่บังเราไว้ไม่ให้เราได้เห็นของคิดเราเพราะเรายังเป็นคนใหม่ฝึกหัดใหม่เรานั่งอยู่คนเดียวดีกว่าเราไม่ต้องพูดต้องคุยเรานั่งอยู่คนเดียวมาคิดว่าอ๋อมาคิดแล้วจะได้เห็นเนี่ยเนี่ยต้นต้นเหตุของของคิดนี่แหละเมื่อเรานำเห็นของคิดได้แล้วกุมชิดจะเป็นหน้ามือหลังมืออย่างที่หลวงพ่อเคยพูดมันจะรู้ว่าถูกพอได้รู้ตัวเลือดน้ำสีเต็มกระป๋องคุณภาพ ไปแล้วงอมผ้าเขาจะมากินแบบนี่จะได้กระแสพระนิพพานเป็นนักที่ตรงนี้จริงๆรับรองได้คนใดเข้ามาประสบตัวนี้หเอนรับว่าเป็นพระได้จริงๆเพราะหลวงพ่อได้เคยถามเด็กน้อยมาอายุตั้งแต่เจ็ดปีแปดปีเก้าปีเนี่ยเอาเก้าปีละถึงสิบสามปีหลวงพ่อถามไปยังไงผมเป็นพระได้เล็กอายุเก้าปีเนี่ยเคยพูดกับหลวงพ่อหลายคนแล้วเรามาที่นี่ประกันได้แล้วหรื อ, อยัง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 ท้ายทสุดนี้อาตอมาพ้อด้วยพระสงฆ์ได้ญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่ณสถานที่นี้อาตอมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของบรรดาสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเตือนจิ ต, ตกับจิจใจให้พวกเราได้เจริญรอยตามรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงทิกสุนัขเจริญพรญาติโยมทุกท่านครับ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 เวลานั่งเราก็ต้องเอามือทั้งสองข้างวางไว้ที่บนขาพลิกมือขวาตะแคงขึ้น dale, ให้รู้สึกตัวยกมือขวาตะแคงขึ้นให้รู้สึกตัวเอามือขวาเข้ามาที่สาเดือให้รู้สึกตัวแล้วเอามือหัวแนบแนบมาที่ตรงนั้นพลิกมือซ้ายตะแคงขึ้นให้รู้สึกตัวยกมือซ้ายขึ้นครึ่งตัวให้รู้สึกตัวเอามือซ้ายเข้ามาทับมือขวาให้รู้สึกตัว เอามือซ้ายทับมือขวาแนบไป ท, Salem, ท, <cell restore: S 2> ที <or> ่ตรงนั้นแบบนี้เลื่อนมือขวาขึ้นหน้าอกให้รู้สึกตัวเอามือขวาออกมาตรงข้างเอาออกมาตรงตรงไม่ใค่พลิกเอาออกมาตรงตรงไว้ตรงข้างให้รู้สึกตัวลดมือขวาลงที่ขาขวาแตะแขงไว้ให้รู้สึกตัวขั้วมือขวาลงที่ขาขวาให้รู้สึกตัวแบบนี้คือเลื่อนมือซ้ายขึ้นหน้าอกให้รู้สึกตัวเอามือซ้ายออกมาตรงข้าง ให้รู้สึกตัวลดมือซ้ายลงที่ขาซ้ายตะแคงไว้ให้รู้สึกตัวขั้วมือซ้ายลงที่ขาซ้ายให้รู้สึกตัวอันนี้เป็นวิธีการปฏิบัติมันเข้ากันกับหลักสติประฐานสี่หรืออริยบุตรทั้งสี่เองพูดถึงสติประธานสี่ท่านพุทธบุตรให้มีสติกําหนดรูก้กายยานุปัสสนาคือสติประธานสี่กายยานุปัสสนาให้มีสติดูกายได้กาย เวทนานุปัสนาให้มีสติดูเวทนาในเวทนาจิตตานุปัสนาให้มีสติดูจิตแต่จิตธรรมานุปัสนาให้มีสติดูธรรมในธรรมเราไม่เข้าใจบางคนบางคนก็เข้าใจคำพูดอันนั้นผู้มีปัญญาคุณกับการภาษาเรียนแปลนั้นอาจจะเข้าใจแต่เข้าใจแต่ใจยังไม่เป็ี่ยนก็มีเป็นอย่างนั้นบัดนี้วิธีที่พวกเราทาเนี่ย เดินจงกรมเอามือกอดหน้าอกไว้ถามจังหวะแล้วเอียงซ้ายเอียงขวาก็ให้รู้ก้มเลยก็ให้รู้แต่ไม่ให้แกงแขกเวลาเดินจงกรมเนะี่ยเอามือกอดหน้าอกไว้หรือเอาขั้วล้างไว้ให้รู้ทําแล้วมันจะเป็นยังไงทําแล้วมันเกิดปัญญาอันนี้เป็นวิธีทําให้เกิดปัญญาข้อแรกรู้จักรูปนามนี่เองเกิดปัญญาขึ้นมาพอแล้วรูปในการร่างกายนามที่มันรู้จักรูปกับ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 เป็นไข้เป็นหนาวเป็นอะไรก็ตามเนี่ยรูปเป็นแล้วใจก็ไม่สบายอันเนี่ยรูปโลกนามโลกอันนี้บัด น, นี้นั่งสบายนอนสบายไปไหนมาไหนก็สบายไม่เจ็บหัวไม่ปวดท้องจิตใจมันคิดขึ้นมามันมันคิดรูปขึ้นมามันสอบหรือมันเปลียดเ น, นี่ยจิตวิญญาณเป็นโลกนนมันก็เป็นทุกข์ น, นี่ยว่าทุกข์ทั้งสองฐานเนี่อย่างเคลื่อนไหวไปมาก็เป็นทุกข์เดี๋ยวทุกข์ขัง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 ทำไม่หยุดเนี่ยมักต้องเจริญนี่โลดทําให้แจ้งรู้แจ้งรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ข้าวรู้ข้ารู้สมมติสมมติเนี่ยรู้แจ้งรู้สมมุติรู้จริงๆสมมติผีสมมติเทวดาสมมุติพระพุทธรูปนึกสมมติเพื่อนฝูงอะไรก็ตายเหรอเงินทองเสื้อผ้าไรนาลูกสวนเหล่านี้เป็นเป็นสมมุติขึ้นมาแต่สมมุติบัญญัติเส้นสมมติบวแล้วก็ศึก ศึกเละกระโบดเนี่ยก็เป็นสมมุติสินห้าสิลแปดสิลสิสิน 5, สองร้อยสินสามร้อยเป็นสินสมมุติสมมุติอยู่กับสังคมต้องให้รู๋เนี่ยรู้ให้ครบให้จุบให้ท้วนถ้าหากรู้น้อยมันก็เกิดมีความสงสัยเนี่ยรู้ให้ถึงรู้ถึงเมื่อแท้มาจรงิงจรงิจรงสิง่งที่สมมุติเนี่ยท่านจิบเรียก ว, ว่าใบไม้ในป่ากับใบไม้แห้งในกระมือเนี่ยแต่ใบไม้แห้งในกระมือเนี่ยมันเป็นยา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 เป็นสมเด็จไปนะอันนี้ก็สมมติเมืองกันแต่สมมุติบัญญัติเราให้รู้จักถ้าเราไม่รู้จักเราก็ไปติดสมมุติอันนั้นเนี่ยคุณว่าอารมณ์มันวั่นไหวถ้าเรารู้จักเรื่องสมมุติเขาให้แล้วเขาทอดก็ได้เขาไม่ให้แล้วก็แล้วไปเนี่ยเขาว่าอย่างนั้นอันนี้เนี่ยะรู้จักเรื่องของคนอันเรื่องของคนมันเป็นยังีิแต่หน้าที่เนี่ยต้องปฏิบัติแต่ให้เลือกเอาอี่าให้รู้จักความเป็นคน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 มันดีใจก็ปล่อยไปเลยทําความเพียรทำความรู้สึกตัวให้มาก <c oughs> เป็นการทบทวนอารมณ์ให้มันรู้จริงๆเดินไปเดินมามันคิดปุ๊บให้มาอยู่กับควรู้สึกห <c oughs> ลวงพ่อพูดให้ฟังบ่อยๆว่าทีแรกมันเหมือนกับแมวตัวน้อยหนูตัวโตพอได้หนูออกมาแมวมันไม่เคยกลัวมันกระโดนจับเลยโดนจับหนูมันตื้นมันก็วิ่งไปแมวก็ติดหนูไป อันนี้ก็เหมือนกันมันคิดทีแรกมันไม่คิดมากเท่าไหร่พราะเดี๋ยวมันคิดเราเข้าไปในความคิดไปวิภาควิจารณอันนั้นอันนี้อันนั้นเป็นวิปัสสนูแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ตอนแก้ปัญหาตัวเองได้คือรู้มาถึงบาปบุญนี่แล้วอันนี้แหละการแก้ปัญหาตัวเองตอนมันรู้จากนอกตัวเราไปแล้วแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้อันนี้หลวงพ่อเข้าใจอย่างนี้ที่ว่านํามาทบทวนดี่ว่าเปิดอบรมเปิดแล้วแบบ น, นี้ เปิดแล้วก็แสดงว่าหงายของที่คว่ำของที่ปิดมีเกีียวอัดแน่นอยู่นั่นหลวงพ่อหรือว่าให้ก็ตามเนะี่ยมาเปิดมาเปิดก็มาไขามาหงายหนะ้าขึ้นให้เรานี่ยค่ะอบรมอบรมกับมาซีแนะแนวทางตามความจริงอบรมแปลว่าซีแนะ่แนวทางให้เดินไปทางนี้อย่าเดินไปทางนั้นเดี๋ยวอบรมอบรมแปลว่าซีทางให้เข้าใจให้รู้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 พันวยอย่างนั้นมีโลภะมากก็เห็นโลภะก่อนเห็นก่อนเห็นรู้เข้าใจสัมผัสแนบแน่อยู่กับโลภะนั้นแต่ว่าเห็นทั้งหมดทั้งสามนี้เห็นเห็นจะเป็นโมหะโลภะโทสะก็ได้จะเป็นโทสะโมหะโลภะก็ได้จะเป็นโมหโะโทสะโลภะก็ไ ด, ได้แต่ว่าเห็นเห็นอันใดอันหนึ่งขึ้นมาเห็นแก็สัมผัสแนบแน่กับสิ่งเหล่านั้นอันนี้เป็นเป็นวิธีการ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 ไม่ใช่ว่าชานแล้วเหาะไปนีย่ยพาหาหน่ะเขาเรียกว่าชานเหมือนกันชาเนเรียว่าขนสง่งความเป็นพระเกิดขึ้นที่ตรงนี้ใครจะโพยยังไงก็ตามถ้าเห็นจริงก็ต้องรู้จริงดูทันทน<อ>ีอ๋อหลวงพ่อนุ่งกางเกงเขานัน้เป็นพระได้แล้วน้ําหนักร้อยกิโลนี่หลวเพราะว่าวัดสลัดตู้มไปทันทีเลยแปดสิบกิโลนี่หลวแต่มันมืดเนี่งยงไปไม่ได้แต่รู้จักเราว่าเราเป็นพระได้แล้วอ๋อบัณ เดินกลับไปกลับมาไม่นานชั่วจักรพิพตานี่แหละไม่นานก็เลยเห็นรู้เข้าใจกิเลสตัณหาอุปทานกับเนี่ยสี่ข้อเนี่ยเวทนาเป็นลูกเป็นทั้งลูกทั้งนามสัญญาเป็นลูกเป็นทั้งลูกทั้งนามสังขารเป็นลูกเป็นทั้งรูกเป็นทั้งนามบิณญาณเป็นรูกเป็นทั้งรูกเป็นทั้งนามจิตว่าอันนี้ว่าลูกสี่เนี่ยก็จะขันห้าแล้วอันนี้ แลื้อบันญัติกิเลสตัณหาอุปทานคำก็มีสี่ข้อด้วยกันอศินปรากฏขึ้นมาที่ตรงนี้มีศินแล้วบัญญิมีศินไม่ใช่สินห้าสินแปดสินสิสินสองร้อยสินสามร้อยอันนี้สินที่พุทธานุพุทธังสามะสีดาทิถิงผู้ตัศโลตามพระพุทธเจ้ามีสินเนื้ทิถิเสมอกันอันนี้แปลว่าได้ต้นทางได้กระแสพระนิพพานได้กระแสจิตก็ว่าได้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 พระอนาคามีผลพระอรหันต์ตรมักพระอรหันต์ผลมันเป็นลูกเข้ามาจะว่าเราศึกษาให้รู้จริงๆถ้าไม่รู้จริงๆ จ, จะไปคาดคิดเอามันไม่ได้ดังนั้นภิกษุจึงแปลผู้เห็นไถยเห็นอันตรายเห็นความผิดพลาดยิ่งภิกษุแปลผู้เห็นไถ่กันไว้อย่างนั้นเราก็เลยมาเข้าใจเรื่องอาบัติปราชสิกทันทีหลวงพ่อทำข่าวนั้นรู้จักจริงๆรู้จักและไม่ลงไม่ลืม เห็นแล้วแนบแน่นอยู่กับเสีงปลาลัสิกบ้านหลวงเขาเรียกปาราสิกนังสื้อกับปาราสิกปลานัสึกตามตําราว่าเสพเมถุนหนึ่งลักของเขาหนึ่งเศพเมทุนภิกษุเสพเมทุนต้องอาบัติปลาราสิกขาดจากความเป็นภิกษุเป็นภิกษุไม่ได้เนี่ยตาราไว้าลักของเขาหนึ่งราคาห้ามสุกภิกษุลักของเขาราคาห้ามสุกขาดจากความเป็นภิกษุเป็นภิกษุไปไม่ได้ มาสกนึงก็ยี่สิบสตางค์ห้ามาสกก็ดีร้อยสตางค์เห็นว่าอย่างนั้นตำรานะอันนี้พูดอย่างนั้นเน <c oughs> ล่ยักของเขาหนึ่งมาท่นราคาห้ามาสกเนี่ยค่าจัดหนึ่งมา่นเนาะคันในคันเนอกคันก็าตามในคันก็ตามค่าจัดหนึ่งขาดจากคนเป็นทิกษุเป็นทิกษุไม่ได้พูดอวดอุตรีมนุษย์ศาสนาคือทำอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตน ขาดจักควมเป็นพิกษุเป็นพิกษุไม่ได้อันนี้ตำลาพูดอย่างนั้นแต่ความจริงหลวงพ่อเข้าใจเสพเมถุนก็หมายถึงเราอยู่ด้วยโทสะโมหะโลภะอยู่ด้วยการไม่เห็นแจ้งนี่เองนี่ว่าเสพไปว่าอยู่ด้วยโอ้อาเสวณนาจพาลานังมันเข้ากันได้เลยอาเสวณนาจพาลานังอยู่กับคุณพ า, านพรานไปว่าคุณพานพรานนะบัณฑิตานันจะเสวณนาปเนี่ยมันเข้ากันรักได้นึ่ อาเสวนาอันนึงเสวนาอยู่ตอนนี้มันเสวนาปูซาจ่าปูสาดีหยาลังเอตมังคลงังุตตมังเราไม่เข้าใจเลยเดินนั้นในขณะนั้นหนวงพเข้าใจอย่างนี้บัณฑิต ก, ก็คือสติสมาธิปัญญาหรือควรรู้ตึกตัวนี้เองอันคนผ่านภายนอกเกเรกินเหล้าเมาสุราเล่นการพา น, นันอันนั้นเป็นคนผ่านภายนอกคนผ่านภายในยนี่ทําไมไม่รู้ เราลุกมันก็ลุกด้วยนอนมันนอนด้วยไปไหนมาไหนมันไปดาด้วยเดี๋ยววัตถุมันเป็นวัตถุเหมือนกันบัณฑิตตานั้นจะบันเนี่ยผู้ศึกษาเราเรียนมามากเราจะไปอาศัยอยู่กับท่านไม่ได้การทํามาหากินอาเซ็ปของคนไม่เหมือนกันแล้วเราเรียนรู้จะโอ้ตกควมรู้สึกตัวนี้เองเป็นบัณฑิตรู้สึกตัวมากขึ้นมากขสามารถรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงนี่เนี่ยะ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 ตามทางไปหาพระพุทธเจ้าเดี๋ยวจะเลินรอยตามไม่ใช่ตามหอยอันอย่างที่ท่านนางนะจะเลินตามวิธีที่ของท่านธรรมอะรับรองได้อันเนี้ว่าไม่พลาดเลยเก็ดรับรองตัวเองนะคนอื่นจะไม่รับรองเหมือนกันนะ่ะเดี๋ยว่าไม่พลาดที่ตัวเองทํามาเพราะมันเป็นได้เนี่ยหลวพ่อก็เลยเข้าใจว่านา้ําสีจะเป็นสีดําสีแดงก็ตามเต็มกระปอ๋องเอาไปย้อมผ้าขาว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 หลวงพ่อเข้าใจอย่างนั้นวันนี้เราไปนั่งอยู่บ้านหลังนั้นฝนตกกระเปี้กมาแดดออกกรร่อนมาโอ้การทําบุญให้ทานรักษาศีลมากเท่าเดก็ตามมันทนทานไม่ได้มันจะเป็นของเทียงแท้ถาวรไม่ได้เมื่อไม่เห็นอันนี้โอ้เนี่ท่านว่ามั่นคงถาวรไม่เปลี่ยนแปลงโพสะถึงมีกรน้อยบ้านักเลยมาเปรียบให้ท่านได้ฟังมาพูดบอยแล้วอย่างเนี่ยแต่คนไม่เข้าใจ บัตนี้น้ำสีเต็มกระป๋องคุณภาพมันไม่ค่อยมีแล้วจะเป็นสีดำสีแดงก็ตามเอาไปย้อมผ้าขาวไม่ติดแล้วติดก็ติดน้อยที่สุดแต่ลางน้ํำออกได้สบายอันนี้น้ำทากับน้ามันอาศัยซึ่งกันและกันอยู่ด้วยกันแต่ไม่รับคนกันได้อันนี้รับรองได้อย่างนั้นจริงหรอรับรองตัวเองเป็นพระได้แล้วนู่นกลางเกงเขานั้นผมก็ยาวเออควรมเป็นพระอันนั้นมันเรื่องสมบอันนี้เรื่องเป็นประมาท ก็ยังเอาสมมติมาพูดนี่ที่หลวงพ่อพูดเอาสมมติมาพูดให้ฟังได้เอาปรามาตัตดมาพูดเป็นสมมุติจิงว่าเอาสูงบ้างต่ำบ้างจิงว่าสมมุติคืออย่างพระครูเจ้าคุณพระราชพระเทพพระธรรมอันนั้นเอาเอาเรื่องนี้แหละไปพูดเป็นอันนั้นเลื่อนสันทางจิตใจอันนี้เลื่อนสันทางให้ยศให้เกียรติให้ลาบกันอันนี้มันเป็นเองควรมเป็นเองมีอยู่แล้วในคนทุกคนไม่ยกเว้น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 ยิงว่าจิตของผู้ใดตั้งมั่นไม่วันไหวไม่งอนแงนไม่คอนแขนตรตโลกกรรมทั้งหลายจิตของผู้นั้นไม่ใช่ว่าจิตพระพุทธเจ้าคนเดียวนะจิตของผู้ใดเนี่ยหมายถึงทุกคนมีเหมือนกันเลยตั้งมั่นอย่างดีไม่วันไหวไม่งอนแงนคอนแขนครต อ, อารมณ์หรือโลกกรรมอารมณ์ก็หมายถึงความสมความนินทาว่าร้ายนั่แหละไม่วันไหวต่อสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าโลกกรรม โลกนี่มันเป็นยังงเรื่องของคนเนี่ยเราู้จั ก, จกให้รู้จักจริงๆถ้าหากไม่รู้จักจริงๆแล้ว จ, จะสับสนวุ่นวายเราก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ของคนถ้าเราเป็นคนต้องเลือกคัดจัดหาเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นมาใส้กับสิริของเราจริงๆถ้าเราไม่รู้จักควมเป็นคนไม่รู้จักเรื่องของคนไม่รู้จักหน้าที่ของคนก่อนเหมือนกับตมกับเลนนั่นแหละตมกับเลนเนี่ยมันมันอยู่กับน้า แต่ว่าน้ําไม่ใช่ต้มต้มกับน้ําไม่ใช่อันเดียวกันเราเห็นน้ํามันขุนเนี่ยบ้านหอวงพ่เรียกว่าน้าขุนเอาสารท้มมาอวนเขาแล้วต้มเลยมาจับมันเข้าน้ำก็สะอาดขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเราเห็นแล้วเราแยกได้จะต้องการเอามันมาใช้ก็ได้ไม่ต้องการเอามันมาใช้กทิ้งมันไว้ที่ตรงนั้นเลยเนี่ยจังว่าให้รู้ให้เห็นอันนี้เรียกว่ามีมักมีผลมีทั้งมักทั้งผลนะหลวงพ่อพูดมาถึงแคเนี่ยอันนี้แหละ ขั้นตนที่หลวงพอ่อนี่เราเป็นปฐมศาสารมีองค์ห้ามีวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกคตาที่ตรงนี้ถ้าหากไม่รู้อย่างนี้ก็แสดงว่าปฐมศาสตรอยู่ที่ไหนไม่รู้เลยไม่รู้หลวงพ่อไม่รู้รู้จะตำลาทุติยสารยังไม่ได้อั น, นตอนทุติยศาสตร์เขาต้องตอนเซาอันนี้หลวงพ่อรู้อนแหลมหลวงพ่อเข้าใจอย่างนั้นแต่คนอื่นจะรู้อย่างไงก็ไม่รับรู้ครับคนนั้นคนนี้ตอนเซาที่แรกหลวลงพ่อรู้ลูก น, น้ํานี้ ตอนแรกลูกเขมาลูกอันนี้เออนี่นี่ว่าพวกเรามาทํานี่ระยะสิบวันเนี่ยถ้าหากเป็นคนจริงเป็นข้าวทีหนึ่งแล้วหลวงพ่อวักคงจะไม่พลาดถ้าเป็นข้าวปลายเขาไม่มีอะไรเป็นข้าวผีนักอาจพลาดไปได้อันนี้ยังนั่นคือว่าให้เราเป็นข้าวทีหนึ่งจริงๆเลือกเอาไม่เข้าสดสดอ่าที่ทํามาเนี่ยไม่เข้าสดสดมาเข้าวลงสีลงสีจะปัดออกมาเป็นข้าวทีหนึ่งบรรจุเข้าไปในกระสอบเอาไปขายราคาก็ดี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 ตอนหลังจากการทําวัดเส้าวันนี้หลวงพ่อมาทบทวนอารมณ์หรือมาแนแนววิธีปฏิบัติเรลซีแนวทางอบรมเรลซีทางให้เข้ามาทางนี้ออกไปทางนั้นมันไม่ถูกไม่ตรงเท่านั้นเองเอาแหละที่หลวงพ่อได้ให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตสกิจใจมาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรเก็บเวลาแล้วท้าที่สุดนี้อาตามาพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่หน้าสถานที่นี้ อาตมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำตั้งสอนขององค์งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระอาจารตาสาวกข้อสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตสกิจใจของพวกเราให้พวกเราได้จเจริญรอยตามอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตทั้งหลายคือเราตถาคตสัตทั้งหลายเหมือนเราตถาคตสัตทั้งหลายเป็นตถาคตข้อที่สี่นี่ว่าสัตทั้งหลายเราพูดเป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้น แล้วจะนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราแต่าคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราแต่คตเนี้อันนี้แสดงว่าคําพูดคําสอนของพระพุทธเจ้ารับประกันรับรองเดี๋ยวไปทางนี้จ้ะรู้เห็นถ้าไม่ไปทางนี้ไม่รู้ไม่เห็นจริงๆขอให้ทุกคนทุกคนจงได้ประสบพบเห็นเอาอันจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์อันจิตใจปกตินั่นแหละ ไม่จิตใจพองใสจิตใจว่องไวในชีวิตนี้